เห็นเยอะๆเดี๋ยวนี้พระเกิดความโลภเราหาสวยหาจานมาใส่ฉันแล้วเห <c oughs> ็นว่าทำอะไรคำนึงถึงความได้อยากคำนึงถึงความเสีย <c oughs> พอถุยอาจารย์ไม่พระเสียหรืเดิพระเสียถุดงมันกรยามดิบัน <c oughs> ลุงพูองเดียวกับัตรพระตั้งพุนเงี้ยไม่ลุงพูงคือใส่ฉันได้ ไปเราได้ไหมพวกผมจักว่าผู้เฒ่าผู้แก่ฝึกม า, าเท่าไหร่เราได้เพราะฉะนั้นหลวงปู่ยิ้ยว่าเรื่องหลวงออปู่อานไปขอสดเปพื่อแก้งสอนลูกศิษย์ตัวหาขวจักพ่อแม่เอ้ยขอสดจากหน่อยนะมันเกินพอร้องตัวหาลงไป <c oughs> <c oughs> รถก็น้ำยการเน่เดีอมือแลยเถอะไปมั้งผกเทปมือว่านไปบินจัาอนเทนบ่มีเขาจะก่อนนี่ตะห้อก็ต้มขงนอบอดบอได้แปดทามน้ำยังเอาขอถานไปอีกเม่นห้อขอารนึกเขาอย่างนี wie, ้ขอถานงกูกัผู้ชาบาดสานว่กินบ่เพรสนอกจต่อก็กินไว้เอาไม้พระ ของใส่บาทของควรเที่ยวควรฉันควนจิ้มควนฉันใดต้องเอาใส่ก็ไม่ถูกเสี้ยนมนจับจัดใส่บาทเกินไปแล้วนี่นี่ลุงปูว่าใส่นี่เดินลุงปูว่าใส่นี่เดินมันยุงมันยุงคนมักยุง เดี๋ยวคยึ ก, ก ไ, ได้สายสินแล้วกมสักสิบก็ยัมได้สายสินนี่รู้กับใจพขขระถึงรอบต้องไปไหมพระกูมีสินทาสวดต้องไปไหมผูเศรัทดาและมะนุษย์ทั้งหลายพู้นี้พดเจ้าสอนพุ น, พ น, นเดชผู้ศรัาเพิ่งเข้ า, นน า, เเาเหตุดีบุดีผุนเดช คนคนหนึ่งตรงนีของดีรักษาดิดีไายขันดิดีแท้ดีจริงดีเลอดดีประเสริฐคุณดีธรรมดาสมัยคนหนึ่งดีแท้ดีจริงดีเลือดีประเสริฐคุังพวกคุณนังถือเบื่องไดคันดีสมัยนึงเป็นโมเบิงแล้วชีวะดากลายพู่มหลายระดับตัวชีะดากลายพู่มหลายระดับตัว เห็นตา อ, อ, อร์มีลูกหลานหลวงพอ่อกมีอะไรได้เลยหาควมามยากใสเจ้าของเราเห็นตาญาติว่า ล, ลูกกมีคือหมามาเลี้ยงบนินี่ลูกกมีคือหลานมาเลี้ยงอยู่แล้อหลวงปูบ้านตาช่วยเทศชาติหลวงพ่อจะช่วยพระศาสนากำลังติดตังตนทุนโย วันที่หนึ่งเพราะไปถามเน่ยโยมแน่แล้วบอมีผู้ขัดข า, ดข า, ดจานจะค้นบุญเขาเปียกกุ้มเขาเนยตั้งโทนมูลเนธิสงเคาะฮะสงเคาะพุทธมามากกะอาสา สินทรารักษาใจถือเส้นแปดตลอดเดื่องจบมันจะน่มือในเกือบถื อ, ถอไไส้นหาปะเด็นเห้นพอ้อมว่าหรอือ <c oughs> บอกจะว่าลุงกูขึอนู่นี่เฮ็ดจุนี่สิเนพอ้อมว่าหรอ เล่นพร้อมกเอาขาเปียกไว้จากถุงสองถุงเนี่ยนี่เนี้เดี๋อนี้ก็ดื่อด้านไปแน่เรอกมวเทียงเอาเราเดวนเทียงเพื่ออย่างเพื่อศาสนาตุมะเดี๋ยวนี้รดอยี่สิบนย่างหน่อยเขาต้องได้สิบนเรียนจบเป็นด็อกเตอร์ไหม น่าได้สิเป็นแท่นแก็เปียกได้ก็บบวกกันแต่รวมนั่นรวเงินกี่เดียวเบาของเบาเบาก็เกาเปียกกับนี้ลูกหลานอยู่ในกรุงเทพว่าเปิดในน้อว่านสีแสงบ่เยอเหมือนีจได้อะไรยึดแสงว่าน การบอกนีกันเลี้ยงความเป็นปลารลบอยู่ที่นคะรสวรรค์มีย้ายหนึ่งแต่การงานก็ไม่เจริญเท่าไหร่หรอกมันติดขัดอยู่เรื่องการงานยังไม่คล่องแก้่วว่าแันก็จะช่วยเดือนละหนึ่งพันเราะท่านบอกแต่เ่าท่านบอกไปหรอกจังไม่เปิดบัญชีก็เลยบอกพึ่งปลาโบเฉยๆโยมจะเห็นค้อมหรือเปล่าเห็นพร้อมเจ้าข้า คิดว่าเขาจะคัดข้านเ้ีวยว่าอะไรล่ะพวกทางหมอเพราะว่าเด็กจะเป็นคนแคบเด็กจะไม่ใหญ่โตทั้งระบบของสาธารณสุขนะว่าเด็กน้อยว่าเด็ ก, กินอิม่มกินเต็มมันสิบ่เป็นคนใหญ่คนโต ก็กินอยู่เด้ ว, วันธรรมดามือเดียวตัวเดือวนึงสี่มือแค่นั้นติดตายบอกมือธรรมดากับฟาดลงไปมือนอนจินแซกกินมยุ่งอะไรมาหยดคำของพุทธเจ้าถ้าหากว่าคนแคะคนเป็นอะไรกับพุทธเจ้าจะสอนทำไมล่ะวันพระหามาสอนทำไมพุทธเจ้าหาสิ่ธรรมมาสอนคนทำไมคนไม่สนใจจุดเนีแ้แต่แต่งทำไมของบูรของเน่าพาแต่งผม คาแตงเกล็บเมื่อสรงไห่หลวงพ่อก็กดียิ่งตัวคาสื่อซิมมาติบเปลี่ยนโทรศัพท์มืน อ, มอนึ่งขอไปเมือหนึงเปลี่ยนซิมหนึ่งขอไปเป็นนึงเปลี่ยนซิมนึงกับทรงไห่หลวงพ่อช่วยพระศาสนาไม่ได้สิอาศัยพระก็มิตรอกโยมมาอะไรถวายสงฆ์าทานเจ้าข้ากิจทุกจุดเทยียน ต่ไปตั้งกระทานตรวจน้ามโยมกูมาบอกโยมทาบุญเนี่ยพระบบอกสอนดหน่อยไปบอกโอมทืว่าเขาจบด็อกเตอร์นะบอกให้เขาสอนพุทธศาสนาทางตรงไม้เอาทั้งออมไม่ไ ป, ไปลุงพ่อติพร ะ, พะพ น, น, พนี่ปราตูฟังนี่จะหาหลวงพ่อวัติ๊ผู้นั้นผู้นี้วัติ๊อย่างไรพิธีกรรมทางพระศาสนาที่บวชแล้วนัน จักวัดกองเนี้ยเจ้สียมาหาเราศพคบันเขาเสพันศาจักว่าเอาหนังไปแข่งกันในวัดนว่าลูกโปก็ไปหาแข่งวัฒนธรรมชาวพุทธพระพุทธเจ้าเห็นแห่เทียนถวายพระบ่แข่งเทียนถวายพระบ่แข่งนั่งโบมพมา ถ, ถวายพระบ่อันเรื่องทางโลกหลวเพาะว่ า, วาทางพระพุทธศาสนาควรจะรักษานี วัฒนธรรมเท้าพุทธทังสั้นติมแตรรับกับช่วงวัฒนธรรมบุญนี่เขาไปพาคกันเห็ดอ่ะโอ้คุณเห็นว่าภาคกันมาท้ำบาปไปจะองมากไก่ระ คำว่ า, า, า, า, า, า, า, าไก่ทาบุญผมว่าดิบุญก็มักไก่พระมัดนังเงียบๆก็เป็นอหาคุกขี้ยงของเรี่งกายเรี่ยงทะเลกับบดตรก็เน้าก็มักเรี่ยงของบูดของน้องทำมาณเร่งใจอาหารใจมาแต่งใจมารักษาใจกูจักว่าพระเจ้าสอนในใจ จใจบริสุทธิ์ไม่นังอาหารใจร่มนาคาม่านากับมันนัง่ ง, งเป็นร่มเกาล่มบอกนั่นแปลว่าไปทำบุญถ้าไปวุ่นวายทำบาปธรรมะเราใดเป็นไปเพื่อความสงบนั่นเป็นทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนบอกว่าธรรมะเราใดเป็นไปเพื่อความวุ่นวาย คนเราชอบจุง้งชอบจุง่งชอบพุ้นวาย แ, วาลลและําพุ่นหนุนห้อกระหรอกแกแน่จักอยัางนนขดสารกับสาบาทพักันพวกห้องวัดสรอยพัดช่วยวันสงรักษาวัดศาสนาไปมากกับพักก็ได้ที่โลกไป่เป็นตะบากขายก็ถือว่าจักไม่เห็นถึงพากเปนตะบากขายหลวงพ่อก็เห็นมาแล้ว เป้นโอเขอห์แหงเป็นตาขายโอเคอห์บาดเป็นตาขายนะเป็นโอเคอห์แหงนประเภขนมข้าวมันขนมอย่างกอนแบบเดี๋ยวนี้เขาก็ขอหแหงขายดีว่าขาต้มขนมก็ขายดีว่าก็อน้องพอทำบุญอะไรพอมีสติพอมีปัญญาพ่อพระพ็สอนในน้องทำบุญนิดๆหน่อยๆไทยจะสร้างรงทาน พ่อมาอุคนเด็กัดพวกยื่นไก่โอ้คนเห็นรงทานเขาใจเห็นอาหารเริ่มเหอนนี้ฟังว่าเรงทานตำบุญร้อยลูกหลานเป็นบาปไปแค่เป็นเดือไร่มากให้จะมีเกีรติชาส่งปัจจัยมาอาหารขาวานทวายพระสงฆ์ประหลดัดนี่ถามว่าเป็นยังไดลงทานดีว่าสัมมาสุตเศร้าว่าโอ้ยเหมือนตัม้ม่านหรือองคู ชื่อแสียงระดับไว้พระสงฆ์พวกที่โรคกับไปเรี่องโรคธานุนั่นเรื่องโรคธานนี่นนกนน็มากันทุกมือกินตะกลับก็บกเข่าก็ใส่ด้วยรับอาหารได้หลายเพราะว่าโอ้ยทำไวถ้าผู้เื่อนนะสิ่งที่เรามาเห็นได้นะว่าได้เห็นว่ามากักควร ใ, ใจเข้าสอมองได้บ่อยก็ว่ามันถ้าพอกิออก น, นกกได้ก็ได้ นั่นคุบอกตันงแต่หลวงพ่อหลวงพ่าเฮ้ยมากว่าเดอนหลายปุ๋ยวนึงันึงมาเห็นไม่หม่อเฮยต้องท่านไว้อยากกินอยากกินดีกิมาตบฐานนิมมาหาท่องไปวัดทั้งหนวัดคนมีน้าจีเห็ยนตงขามตรงข้าวพระพิจิตุรูู้อยู่ว่าเขาทำอาหารนั่น พระพิจุเห็นเขาทําเพื่อตนเองมันฉันไม่ได้ด้วยแล้วก็ต้องสงฆ์พระพัสงอนุญาตให้พระสงฆ์ออกแล้วก็จินตบาตตามชาวบ้านนนพระเจ้าเรือตามหน้าที่ของพระเจ้าพระเจ้าก็ได้จําพาสไหวพระเด้ เหตุยู่เห็ุจริงเราคอยแปะมัดส้บาทเท่านั้นเองหลวงพ่มีศรัทธาหลวงพ่มีศรัทธากับเราต้องขอเค้ากระไรยังในบุญล้ายเพราะในทรมานพระไม่อ ย, มยอมอิว่ามีย้อมตรหนึ่งหนึ่งนี่หลวงปู่เทิดทีฉันเป็นตระสอรก็กล้วยทู่ติดสินทำบลหลวงปูน่นั่นแหะยังดีเม่ได้ไปติดติดธาตติดนั่นที่นี่เปเขารบ้วยดีด้ว เขาเ่ายก็เขาก็ป่วยรอไม่มาเสริมมาไม่เหรอแม่อาหาไหนกินเขาก็ป้วยก็ป่วยเสิมมาเอกินเขาก็ป่ากบป่าก็ป่าบอกลูกเสิมมาเองก็เหน่ยง่ายมาจํามาสอบสอนติดปลาสักกันใดแน่ลูเดี๋ยวนี้ร้านอาหารก็ไมีเขากลุมลูกหลานไปโรงเรียนก็ถามหาเขาต้องหาล้านกินลูก วันนึ่งเวลาอาหารลูกหลานไม่เตามันหอนแล้วเดืยดเป็นแถวคือมีเตาหลายเละอาหารไม่ลงปูคนเนื้อเขาเมื่อละจักกิโลคนปลาโอ้เป็นไปตัวตีกับเพราะฉนั้นระบบสมองของคนจังยากจังเลยเพราะไมีศิลธรรมไมีเฮลิ <c oughs> สอนเ้าวชนตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบกว่าปีผู้หนึ่งโจ้ท่แล้วนั่เงเอกที่ฉันผมมีงบประมาณหลายเอาท้านี่หลวงปู่ซอยก็ได้พระนิญาติเอกหลวงปู่ซอยก็ได้ขอให้เขาติป็นสอนรักราศาสนาไปเรียนต่างประเทศครับ แต่นี้เราเราถึเฝ้าจอดขอปู่ก็บ้านจ้ะหรือ <c oughs> อยากทำก็ได้ยายเอง <c oughs> ถ้าทก็ทามแม่ที่เคไปสอน <c oughs> ทางพระพุทธศาสนาอยู่นี่กระทวงศึกษาไม่มีวิธีทางพระพุทธศาสนาเระ น, นั้นนลวงพอก็ได้ตั้งขึ้นแล้ว พุทามากกบอาสารักษาใจไร่ยิดกันคนบังคับคุ้มเนยฮะอธิบายเรื่องภาษาสิบแปดมีข้อมูอสารสนิทต่อตนเองวิ่งติดตัวตนเองพอว่าหลวงปู่ไมได้ตรวจสอบน้ำลงเรี้ยงนาำใส่ตัางคนตัางลงเรียหน้านะ มาสมัครเพราะฉะนั้นต้องถื้อคองดเป็นคอได้แน่อ่นนัาถึงแปดมีกระเท็หมานั่งซื้อน้อหน่อ ย, อ ย, อยอชุดอยู่อธิบายเรื่องคอถึงแปดทีกว้างชุดสามชุดกระเท็บตอนตัวเองเวลาขาดเทิมมามาหลับเอาอยู่วะใจขาดเทิมตรงขาเทิมเลยซอยพอซอยแม่ตัวเลี้ยงจบ หลวงูบ้านตาช่วยชาตหลวงพ่อจะช่วยทางพระศาสนาสอนผู้เสาวผู้แกเห็นก็ได้ผมยงผมยงวันสีลวันพระบทความเล็น้อยคือเห็นว่ายงเหมือนยังมักงคาว่าตรวจสอบแล้วยี่สิบก็ค้นถามผู้ใดทอแทนนะบมมีผู้ทอแทนบมมีผู้หิวผมมีผู้ว่านะเมื่อใดถ้าวันพระเนาะหลวงปู่ผลเห็นว่าเขาทอดใจ ที่เขามีปัญหาคำว่าอภิ ม, มัจจิจาสินพิมัจจันทร์สินภ ม, มัจจันทร์เราเป็นนักเรียนเราไม่มีเจตนาไปทำเขาให้เสียหายเล่นการเล่นงานเล่นเจลาเล่นน้นนี่นี่ไปถูกก็ไม่เป็นไร สำว่าผิดศีลอภิมาดิยาเพศตรงกันข้ามผู้หญิงผู้ชายมีความกำหนัดย่อมใจมีเจตนาทำให้เขาเสียใจผิดศีลถ้าเราสูตรเตียนเจียนอ่านไปติดไปต้องกันนิดหน่อยเขาไม่เป็นไรไม่มีเจตนาเพราะจิตของเขาก็ พ, อ, พ อ, องใจเพราะว่าเขาพ้นแล้วได้ผลมาแล้วสบาย ไปชันท์คนเดียวทานคนเดียวเวลาจะลงเรียนเวลาจะเที่ยงมันเอเขาทำได้เลยน ะ, นะใช่ไห่ะตั้งแต่เก็บขวบก็มีนะนี่พวกเราบางคนจะสิบห้าไม่ได้เลยแต่ว่าถึงสิบแปดสิบแปนั้นนี่ไม่ใช่ว่าสิบห้านะทุกวันพระไม่ใช่เฉพาะเทศกาลเข้าพรรษาทุกวันพระถึงกับเรียนจบ ปีหนึ่งไม่กี่ครั้งพันพระสิบสองสี่เป็นสี่สิบแปดที่จะแปดวันแฉนั้นจะทําไม่ได้คำหนึงถึงทําคําตั้งสอนของพระพุทธเจ้าหาศีลหาธรรมมาสอนคนทีนทําไห้คนทําไม่ได้ถึเพราะไม่สนใจว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่เมื่อเวลาเรา การปฏิบัติจุดนี้ผลสุดท้ายจะหลงไปหมดสิทธินหลงไปตรงไหนหลงไปร่ํารวยหลงไปสวยงามนั่นร่ำรวยคือร่างกายสวยงามเพื่อร่างกายใจสิทธิ์หลวงปู่เคยเขียนในหนังสือในเสื้อแจกกันหรือว่าเขียนด้วย โกหกเฉยๆหรือไม่คำนึงถึงว่าเราด้รักษาใจไหมรักษาใจคืออะไรก็คือลมนั่นเครื่องรักษาใจโรงพยาบาลมาสองแห่งมาขออีบ่ยล่นสั่งสั่งโรงพยาบาลของมือวเจ้าใส่หัวใจคนรงพาทั้งโลกรักษาคนผูหายอก เอาหายได้ไงพ่อแม่คุณญาตาใจถึงคนร่วมคนตายล่ะก็หาหมอหายหายหายแล้วยังอยู่คือตายตายเสร็จแล้วดีไม่ดีก็มาเกิดอีกนั่นหายตรงไห น, นล่ะโรงพยาบาล ท, ที่ให้รักษาคนมาให้คนตาย <c oughs> มีจงเดียวคือโรงพยาบาลพระพุทธเจ้าขอให้รักษาใจได้ไม่ให้เกิด แตเก็บตายมาจากไหนหรือไม่เชื่อก็ให้รู้ใจไปถามใจตนเองเกินถ้าบอกว่าเป็นทางโน้นนี่เราเก็ไม่ได้พราะพระเจ้าไม่ได้บอกว่าพระผลนิพพานเป็นลักษณะ น, น, นั้นนั่นนี่นี่ปัจจัยต่างรู้จำเพราะตนผู้ดูเห็นเองรู้เองนั่นนี่ก็ยังไม่ได้บอกพาทําพูนนี่ยังไม่พร้อมยังยุ่ง ก, กันกับเรื่องทานกันทานสำหรั บ, บอาหารกาย ยุ่งแต่เรื่องทำบาปถ้าทำบุญเข้ามาใต้พระก็นั่งกาบก็มันนั่งดูลงต่อหลับตาลงไปคอให้มีสแสงบ้างที่ทำทานทำบุญไม่จำ้ำอยู่ทุกวัดเดี๋ยวนี้นะเขาไปกาบไปไหว้ไปนั่งหลับตาเงียบนั่นเรียกว่าไปทำบุญให้สงบสุขขืนยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่นคำของพระเจ้า พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าทุกขื่นยิ่งกว่าร่ำรวยไม่มีถูกขื่นยิ่งกว่าวุ่นวายไม่มีเข้าใจไหมเราไม่เคยเห็นใจไม่เคยดูใจว่าคนตระหงออถูกคนเป็นยังไงอยู่แต่ความคุกที่อยู่ความทุกข์ติ้นกดแกนตะแยงหาอยากร่ำรวยได้มาแล้วอยากสวยดักหน้าผลตาดีๆน้ำงือเอานังแตลงไหมแบบมืมอดีๆน้ำมอเอาแตลงไหมหลงปุ้ยก็ถึงใจหลายๆแบบ พวกเจ้าแป้าแดงผีมันจะใสบอกมันตอยควนขนผีบอกบอนุงี่เขามีหลวงปู่เขามีทันติเ็นงามทะด้ก็ได้ตัวเจ๊ต่วบานไปเปิดร้านสัลยกรรมตกแต่งอยู่ประเทศสังครตนิมนต์ไปเติมบ้านไปเจิมเครื่องทำขนนี่แหละราคาเกตุร้านบ้านันเห็นไหมล่ะ ยังกาจัดขนเฉยๆอ่ะเ้าหน้าครั้งหนึ่งซีไรเหรียญซีไร่พรนะมาหนึ่ง ว, วันหนึ่งลงปู่บอกมาพระหลวงปู่ไปรับนิมนต์ใเด้อหน้าจะพา้มเกินเวลานึงเลยนะทุกคนเห็นไหเดี๋ยวก่อนเอาคานหามันก่อนหลวงปู่หน้าที่เดียวตองรับถมีคานามันก็เอาตะันมากาใกล้มากหัวัดติดเช็ดยัเนเอา ง, อ ง, งิน เฝนายเขาโยกนะว่าเฝาหน้าที่หนึ่งเห็นว่าทีไรมันจะได้บานเข้าที่เด็ดอนนหนึ่งเท่ากับสามจปดสามจเก้าบตรงมึงเขาคูณไปมันก็เห็นว่าหน้าที่เดียวแต่ว่าเงินบอกเอตรองผู้อื่นแต่ผู้มาเหยียดหก็เปิดต้องเยียก็ได้ตัวนั่นะ บนี้ยากดยาันี้ยากน้อผู้ที่ไปเรียนไปจาดกานเนาะทางประเทศตุรก the ีม right? ีคองอดทนเอาหรอจะเป็นผ right? ูกขนตาให้คข้อนที่ไปหาขูดเหนื่มือข้นแดงเนื่อยล็บมือค้นเราก็ไปเลียงเนางนายก็นั่นุ่นเลยเล็บมือคนจากเล็บเล็บตีนข้นจากเล็บแดงเน่จากตัวม้ววันเสาร์วันจันทร์คือกันกับลูกหลานมาใส่บานเนี่ย ค่อยนะังไงเขาไม่ถังหลจังนั่เขามาไขาาเที่ยวแต่เสริมสวยห่นเห็นว่าเห็นแต่เขาไอยเที่ยวโร่งหานเห็นต่ก้นมาไข้ตกน้นเขาไข่เที่ยวแง่งตัวว่าน้อนะเขเห็น ก, ก้มสะลนะดใจน่ะไเวลาไปฮนะอา้าวม่กรา ทั้งี่พี่เราช่างใจบาดใจบาดแต่เราเลยกันเลิกเเห็นบะมม่เราบป็นรกกาาประกาศตอนพอว่าเข้าจัดมีรุน่นวัยกายีมานังปูซาโตา่เสี้ยงละลูยกับปูตามันาะถูกต้องตามรักพระพุทธศาสนาเบนจางคักทีหนึ่งเทปุนเทเดียวก็สี่จ ม, มาประกาศว่าปรกา ยกมือออกหอกก็เป็นไปน้พระสมัยใหม่ตอนนี้ถมือทำวัดก็บ่าเรนั่งกาที่ยืมป่อยออกนั่งง่ามันไม่ถูกต้องเวจากพระได้กาหลังก็บ่กงเมื่อกบนภากร้องไปถึงพื่อน้ำพรถึงพืันนี้ว่าเอาตะมือปรับปรลงเด พอเตาตะมือปรับลงโบราณของปู่เห็ดมังไงือเจ็บกาบอลไรแม่น่าแต่กาบว่าองุ่นล่งเนี้เตาตะมือล่งปรับๆแต่เด็กไปหาอย่างงี้ไปหานี่คนจีนแต่ของพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องตามหลักเบญจังคะ่ะกูปัญชาที่จังวพาพาหวัดเลยเคยพระเนนไปบวดท่านไม่สอนเรื่องอื่นให้กราบอยู่นั่นพระกราบเป็นจึงไอ้บอกเอสาหัง ให้ยังกาบไม่เป็นให้พระืนกาบจนนั่นแหะให้หลังแอนลงไปให้ถูกต้อง น, น, นี่พวกเราไม่ค่อยฝืนกันหรอกพระก็ไม่ค่อยฝืนหรอกเดี๋ยวเนี่พระก็กาบไม่เป็นหรอกไม่ต้องกาบหรอกนัง่งโซฟาเลยไม่ต้องกาบยกมือเสยเอาก็ได้ไปแล้ว